ทั้งสองวัน <c oughs> พูดจึ้นกรรมฐ า, านในตอนปลายหมดลืมตอนต้นฉันลืมลลมัใช่หรือเปล่าหนิบหน่วยเลย <c oughs> ตลงความราการจิรนกรรมฐ า, านถ้าเราลืมต้นมันก็เจงเหมือนกันนะ <c oughs> การขึ้นต้นกรรมฐ า, านความสาคัญจะมีว่าอันดับแรกเราต้องพยายามกำจัดที่วรนห้าประการ คำว่ากําจัดที่มหมายหมายความมาหักล้างทั้งหมดหมายถึงว่าต้องระ ง, งับที่วรณ์ห้ารายการอย่าให้ยุ่งกับใจแต่ความจริงนิวรณ์ห้ามรายการนี้เราจะกําจัดเด็ดขาดวีเดียวไม่ได้แต่การหาทารงระงับมันจะได้ช่วขนาดหนึ่งก็เป็นขอธรรมดาวิธีระ ง, งับที่วรก็คือว่าใบสนใจกับนิวรณ์เลยพอพูดนิวรณ์สนิทนะ คำว่านิวรนพระพุทธเจ้าพุทธเจ้ารงแปลว่าไปกิเลสยากที่ทำปัญญาถอยหลังมีห้าอย่างคือหนึ่งกรรมฉันทะความพอใจในการมารมสองความโกรธใช่ไหมสามความง่วงถูกไหมถูกสี่ิดพูดแจัน ถ้าหายสงสัยรวความล่าห่าอย่างหึงความพอใจในการมารม <c oughs> สองความไม่พอใจคือความโกรธสความงว่วงสี่ลมพูนไส้เกินไปห้าสงสัยในผลการปฏิบัติความจริงถ้ห่ายอย่างนี้ถ้าเวลาที่เราจะทำสมาธิถ้าไปนั่งนึกว่ามีอะไรบ้างก็จะมีกังวลมาก วิธีที่ทำให้จิตหลีกจากนิวรมกคือว่าไม่สนใจมันเลยสนใจเฉพาะลมหายใจเข้าออกกับคำปรนนารู้การพิจารณาอันดับแรกก็จับลมหายใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ใา้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาว หายใจเข้ายาวแล้วสั้นออกยาวแล้วสั้นก็รู้อยู่ถ้าขณะใจที่ยังรู้ลมหายใจเข้า ใ, ใจออกก็ดีจะรู้คำบรรณ า, าก็ดีเวลานั้นชีวจิตว่างจากนิวรณ์นิวรณ์ไม่ได้กวนใจถ้านิวรณ์ไม่กวนใจก็ถือว่ามีสมาธิเพราะคำว่าสมาธิแปลวการตั้งใจถ้าตามศัพท์ต้นแปลว่าตั้งใจมั่น หมายความว่าตั้งใจไว้โดยเฉพาะอย่างเร่นอานาปานุสติก็ตั้งใจรู้ลมหายใจเขา้าใจออกแล้วภาวานารู้ก็ตั้งใจรู้คำภาวนาคํภาวนาถูกหรือผิดเราทราบอย่างนี้เชื่อเป็นสมาธิขั้นต้นเอ่ยคำว่าสมาธิจะมีสามชั้น <c oughs> คือคณิกสมาธิอุปจารสมาธิอวนาวสมาธิ ไม่ไม่รู้เรื่องเลยคณิกาสมาธิแปลว่าสมาธิเล็กน้อยทรงอารมณ์ได้ประเดียวเดียวจิตก็เฟื่องไปส่วอารมณ์อื่นอุปจารสมาธิตอนนี้มีปีติมีความอิ่มใจมีความเพลิดเพลินในการทำสมาธิในตอนนี้จิตเริ่มเป็นทิพย์ภาวนาสมาธิตอนนั้นเป็นชาย รวมความว่าคำว่าสมาธิเประการตั้งใจจะเป็นสมาธิเล็กน้อยหรือฝายกลางหรือสูงสุดก็ต่างก็ที่วเป็นสมาธิขณะใดที่จิตเป็นสมาธิขณะ น, นั้นชีว่าจิตว่างใจกิเลสท่้นขออนาญาตโยมพุทธบริษัททุกคนเวลาที่ท่านจะทำสมาธิถ้าตามมีลาการปฏิบัติจริงๆที่เขาทากันในการก่อนอ ก่อนที่จะภาวานานี่ท่านให้ใหพิจารณาก่อนการพิจารณานี่เป็นวิปัสนาญาณถ้าใช้พิจรนารณาวิปัสนาญาณก่อนแล่งเจริญภาวานาเพื่อทําสมาธิจะดีมากแต่ว่าทั้งนี้ก็ต้องแน่แต่ความพอใจในโรหลวงแต่ละบุคคลบางท่านตั้งใจต้องการสงบก่อนแล้วยังเจรนนิญวิปัสนาญาณทีหลังก็ได้ บางท่านพิจารณาวิปัสนายายก่อนทำสมาธิทีหลังก็ได้ <c oughs> ได้ทั้งสองด้ยวยกันแต่ว่าในการก่อนจริงๆท่านสอนท่านแบบนี้พอเริ่มสมาทานพอเริ่มสมาทานเสร็จ <c oughs> หลังจากสมาทานแล้วก็เริ่มพิจารณา อันดับแรกกับยานาร่างกายและตนเองใน ต, ตอนต้นคิดถึงตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในดัามกลางและมีการสลายตัวคือตายในที่สุดเหมือนกันหมดเ <c oughs> คนหรือสัตว์จะเรียกว่าคนมีฐานะเช่นเดก็ตามมีสภาพเหมือนกันเ <c oughs> มื่อคิดอย่างนี้แล้วก็คิดตามตรสมาญาณ ว่าโลกนี้ทุกอย่างเปลี่จังหาความเที่ยงไม่ได้คนก็ไม่เที่ยงสัตร์ก็ไม่เที่ยงวัตถุธาตุต่างๆก็ไม่เที่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของเรามันไม่เที่ยงคนอื่นเขาจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นเรื่องของเขาให้สนใจร่างกายเราไปสําคัญคําว่าร่างกายของเราไม่เที่ยงกับหมายความไม่เกิดที่แรกเป็นเด็ก ถ้ามันเที่ยงจริงๆก็ต้องไม่โตขึ้นมาตอนนี้ตอนนี้เมื่อมันไม่เที่ยงจากคลายจากความเป็นเด็กมาเป็นหนุ่มเป็นสาวถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวคลายจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยกลางคนคลายจากวัยกลางคนเป็นคนแก่คลายจากคนแก่ไปอะไรเป็นผีคลายจากคนแก่ก็ตายแต่ความจริงคาว่าตายนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องแก่เสมอไป ต้องรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยง <c oughs> ได้ดูตามความเป็นจริงว่าคนที่เกิดก่อนเราเขาตายไปแล้วกี่คนเถ้าเรามองดูคนที่เกิดก่อนเขาตายก็คิดว่าเราจะต้องตายอย่างเขาเหมือนกันกะถอยหลังลงมาว่าคนที่เกิดพร้อมๆกับเราไ ล, ล่เดียงกับเราเขาตายแล้วกี่คน เพื่อทราบว่าเขาตายก่อนเราไปหลายคนแล้วเราก็ต้องมีสภาพเหมกรรมความตายเหมือนกันถ้าถอยหลังแล้ว ม, มาว่าดูว่าคนเดียวเกิดที่หลังเราก็มีตายบ้างไหมเพื่อทราบว่ามีความตายฉันมีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยวความตายเป็นของเตียงความตายไม่มีนิมิตหมายไม่ตายเมื่อไรก็ได้ในเมื่อคิดว่ามันจะตายอย่างนี้บรรดาท่าพุทธบริษัท เข้าตามเกณฑ์สังโยชน์พอดีพอดีไหมพอดีนะ <c oughs> คำว่าสังโยชน์คือสังโยชน์สามเบื้องต้นได้แต่คุณสมบัติของปัจโสดาบัญสกิทาคามีคุณสมบัติของปัจโสดาบัญญัตสกิทาคาเมียนี่มีไม่มากมีแค่สามอย่างแต่มีความละเอียดที่หยาบต่างกันพระโสดาบัญญัติกว่าปัจสกิทาคามี ก็ชีวิตทายท่ามีรายละเอียดกว่าแต่ดูความนั้นว่าคำว่าปัศดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานแก่นั้นถ้าอารมณ์ของบุคคลใดก็ดีเข้าถึงปโสดาบันท่านผู้ น, นั้นไม่มีโอกาสจะลงาบายาภูมิต่อไปบาปเก่าๆที่ทําไปแล้วทั้งหมดไม่มีโอกาสจะให้ผลมีทางเดียวคือเดิในใกล้กับเลหานิพพาน แต่ถ้าจะเป็นประโสดาบันทำยังไงควจริงไม่ตั้งใจะจะพูดตรงนี้มาลงพอดีไงบริษัตเนะจะไปทางอื่นนาไปคนละทางแล้วจะถ้าไม่ใช่เราเ <c oughs> นี่ยทีแรกมันจะพูดวเอาไปชนาใช่ไหมไปเป็นคนละเรื่องแล้วใครก็ไปไม่ขัดคอกันดีกว่านะใครคอรก็พูดทำไม่ได้ความจริงประสวดดาบันมีอารมณ์ 1, สามขึ้นหนึ่งสกายติภิกข์ ใจกายเยติถีที่ถ้าแปลตามศัพท์จริงๆอันดับสูงสุดต้องแปลว่ามีความหมายว่าร่างกายนี้ไม่จช่เราไม่จิตพองเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราตามแบบท่านเขียนอย่างนี้ก็งยิอารมอย่างนี้แปลรมค่าอรหันต์ถ้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทฝึกไปใหม่ทิ่อย่างนี้ก็ไปไม่รอด ใช้กำลังปัญญาสูงเกินไปไ ห, ห้ถอยหลังลงมาตอนนี้วิทา ย, ยานร่างกายจะไม่ได้ความสุขงสงโสรบมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำานาจาระปัสสาวะเป็นต้นเต็มร่างกายอย่างนี้ก็สูงเกินไปสำหรับการฝึกใหม่เหมือนกันต้องใช้ปัญญาให้พอดีพอดีการมณ์ที่ปฏิบัติ ในขั้นต้นต้องมีความรู้สึกเดีวเียว่าชีวิตนี้ต้องตายตามที่พระเจ้าทรงตรัสว่าปัโสดาบันก็ดีพระสิก ธ, ธาคามีก็ดีมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยจะมีสิบริสุทธ์ในหมายความว่าคนที่จะเป็นปะโสดาบันก็ตามพระสิกาคามีก็ตาม ยังมีการใช้ปัญญาไม่สูงมละเอียดนะักกําลังปัญญายังอยากอยู่แต่ว่าป็นหมากในชีวิตมีความคิดมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้ต้องตายและก็มีปัญญาต่อไปว่าว่าความตายได้ไหมมีนิมิตเครื่องหมายย่ยคิดว่าเวลานี่อายุไข่เจ็ดสิบห้าปีเราจะต้องมีอายุทั้งเจ็ดสิบห้ปียังตายมันก็ไม่ถูก คนนี้ก็ตายก่อนเจ็ห้าปีก็มีเยอะนุ่นโรนุ่นราวคราวนี้กับเราตายไปก่อนแล้วก็มีคนที่เกิดที่หลังเป็นวัยเด็กตายไปก่อนเราแล้วก็มีดังความตายไม่มีมีมิตเป็นมีเครื่องหมายไม่จะตายอะไรก็ได้เราก็ต้องไปประมาทในชีวิตคิดว่าแต่ความตายมีจริงจรมีอยู่แล้ก็ต้องยึดความดีเป็นเครื่องคำโชว์จิตใจไม่ลงไม่ลงสัวไปกับพวก ความดีที่ไรยกาะอันดับแรกก็คือพระไตรสรนาคมได้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์อย่างนี้ต้องใช้ปัญญาเจรนานหน่อยให้คิดตามความดูตามความเป็นจริงว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคำส่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีท่านดีหรือว่าท่านไม่ดี ใช้ปัญญาเจตนาก่อนถ้าเชื่อไปเฉยๆว่าเดี๋ยวจะเกิดบัณฑไหวได้ภายหลังก็มองไปตามความจริงเห็นว่าพระเจ้าทรงเสถิสรสัตสตินสละควา ม, มสุขตนระโอษแสวงหาหมมระธรรมด้วยความนำบาปขึ้นมาผู้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระรูปอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณแล้วสมเด็จพระพอธิแก้วสอนพุทธบริษัทโดยไม่คิดค่าจ้างรางวัล อย่างนี้ถือว่าเป็นความดีของท่านแต่ทุกคนต้องคิดหเห็นเสียก่อนนะเมื่อคิดเจนานแล้วว่าดีก็ตั้งใจเชื่อเชื่อมั่นในความดีของพระุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจหลังจากนั้นความดีขัินทีสองต่อไปศีลกพตลประมาณเราจยาสง่งอารมณ์ให้มั่นคงในสีน่ง ใ น, นกำมามความขึ้นเชื่ยวชาญใ น, นสิขาบทห้าหรือกรมบทสิบเราจะไม่ยอมพลาดสำหรับทินห้นาบรรดาธรรพดทธวสัต์ทราบกันอยู่แล้วกรมบทสิบบางท่านอาจจะสงสัยนะใช่ไหมใจดงสงสัยไหมใจดงไม่สงสัยจำไม่ได้เลยได <laughs> ้จได้พอสงสัยเนะี่ย กำหมดสิบมีความน้าคัญในะความจริงปัสสาบัญก็ดีสิกิธาคารมีก็ดีแนตะไม่ใช่มีเฉพาะสิ้นห้าเนะี่ยต้องมีกำหนดสิบด้วยเห็นว่าปะโสดาวบันเนี่ยท่านไม่ยุ่งกับอารมณ์วาจาท่านไม่ไม่พูดเลื่อยเปื่อยไปวาจาไรประโยชน์ท่านไม่พูดตัวอย่า ง, างนาวิสาขาเป็นต้นถ้าปะโสดาวะบัญในสิกิธาคามีก็ต้องมีกำหนดสิบคูณหนึ่งไม่ข่าสัตว์ 2. ไม่ลักทรัพย์สไ ม, ม่พึดงิในกรรมนี่ทางกายทางวาจาได้ศินห้ามีหนึ่งกำหมด10มี4ได้แก่ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดโสเสียดไม่พูดเพ้อเจือเหลวไหลไรประโยชน์นี่เป็นวาจาสีแล้วทางใจสคือไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของผู้คอื่นโดยไม่ชอบทำ ไม่จองล้างจองผานจองเวรจองกรรมใครและไม่ฝ่าฝืนคําสอนขององค์สมเด็จตุสัมมาทัตุสเจ้ารวมความว่าวกรรมบทสิการนี้มีความเป็นกฎธรรมประจําใจของปสดาบันสิกิธาธรรมีถ้าพูดย้อนอีกนิดหนึ่งว่าปสดาบันก็ดีพระสิิธาธรรมีก็ดีเพิ่นหนึ่งไม่ลืมความตาย สองเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอัยอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจคือศรัทธาแท้และก็สาพระโสดาบันถ้าอย่างหยาบมีสินห้าบริสุทธิ์ถ้าอย่างกลางหรืย่ละเอียดจะมีกัมมบทสิบริสุทธิ์พระโสดาบันมีสันชั้นนะพระโสดาบันมีสันชั้นแต่กระตุง ก, กุลังกุละดเอกวิชี ถ้ากกรตุ้งนี่นยังมีอารมณ์อยากอยู่คือมีสิ่งห้าต้องเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติจึงจะเป็นพระอรหันต์โกรันโกละอารมณ์อย่างกลางต้องเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติจึงจะเป็นพระอรหันต์เอกวิชีเกิดอีกชาติเดียวเป็นพระอรหันต์นี่ว่าก็ตามแบบแต่สําหรับคนนี้เป็นระโสดาบันจริงเขาก็ไม่รอไม่กัน ถึงแม้ว่าจะเป็นสตัขัดตรงเป็นพระโสดาบันขัญญ้นยากแต่ว่าถ้ามีความฉลาดตามแบบปฏิบัติได้บอกว่าบุคคลใดถ้าเป็นพระโสดาบันในที่นั่งใดให้ทำใจเข้าถึงอรหันต์ในที่นั่งนั้นในหมายความว่าต้าอารมณ์ของบุคคลใดทรงอารมณ์พระโสดาบันได้ขอย่อนอีกั้งหนึ่งอารมณ์พระโสดาบัน สำหรับท่านที่เป็นปะโสดาบันจริงๆนไงเมื่อกี้ที่พูดในการฝึกเพื่อความเป็นปะโสดาบันท่านที่เป็นปะโสดาบันจริงๆเนี่ยทรงอา ร, รามณ์สี่ก็ห น, น, นึ่งเ 1, คารพแต่พระพุทธเจ้าสองเคารพในพระธรรมสเคารพในพระอริยสงฆ์สี่มีสินบริสุทธิ์นี่ตัวทรงตัวนะถ้าเวลาฝึกก็มีสามแต่ว่าความจริงเนี่ย ม่ภพอัตภันชงว่าสีนิจยวาวสองก็ถูกเป็นสังโยชน์สองถ้าเวลาฝึกต้องนึกถึงความตายไม่สงสัยในพระไตรปิฎกคมคมืมอพระพุทธธรรมประสงค์แรงศีลปละรตาปราโมทและมตวังศีลถ้าเป็นมรสดาบันจริงๆทรงอารมณ์ตามนี้คือรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มีสิ่งปริสุทิ์มีพระนิพพานเป็นที่ไปตั้งใจเฉพาะพระนิพพาน กลองความว่าทีา่อารมณ์เขาบัศวดาบันถ้าสมารงเขาบัโสดาบันได้แล้ววิธีปฏิบัติ <c oughs> เขาก็ไม่ไม่นั่งไล่เบี้ยอยเป็นสกิทาคามีที่นาคามีตามแบบปฏิบัติฉันบอกว่าถ้าถึงบัศดาบันให้จับอารมณรหันตันทีถ้าถามว่ามันไกลามากเกินไปจะมีสิทธิ์หรือก็ต้องตอบว่ามีสิทธิ์มีเยอะ <c oughs> อย่างพระอนน ท่านเป็นปโสดาบันอยู่แล้วต่อมาพระองค์สมเด็จพระบรมครูคนิพานแล้วท่านก็ไม่ได้เป็นพระสิกขาคาเมียนาคามีเปาร า, ารเลยอย่างนี้มีเยอะจะมีผปส่วนมากวิธีจับอารมณ์อาราาร翰เขาจับตามนี้ถ้าทรงอารมณ์โสดาบันได้จริงถือว่าเราเกาะมุมนิพานได้แล้ว ยังไงยงไงแล้วก็มีสิทธ์เพ่อไปนิพพานการที่จะถอยหลังร้อยใบยะผมไม่มีต่อไปตอนนี้เวลาก็จับหลงก็จับปลายทีเดียวเคอตัดตัวปลายคือคืออวิชชาคําว่าตัดอวิชชาอาวิชชาได้แปลว่ารู้ไม่ครบจะ็กเราไม่รู้เลยไม่ได้เด็กอาจารย์ตนบอกรู้ไม่ครบส่วนได้แต่รู้ไม่จริงตัดตัวรู้ไม่จริงออกวิธีตัด ถ้าบอกให้แยกอวิชาวมาเป็นสองสั์คือชั้นทะกับราคะชันทะคือความพอใจราคะคือความอยากได้อยากเรียอยากเป็นเจ้าของได้ความพอใจในมนุษย์โลกเทวโลกระพรมโลกตัดทิ้งไปการอยากจะอยู่ในมนุษย์โลกเทวโลกระพรมโลกก็ตัดทิ้งไป มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่ามนุษย์สโลกก็ดีเทวโลกก็ดีพุทธโลกก็ดีไม่เป็นแดนที่มีความสุขแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์สโลกมีทุกข์มากกว่ามีสุขพราความสุขจริงๆไม่ได้เวลาหลับทุกขเวทนาคลายไปเพราะเราไม่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอะไรก็มีความทุกข์เหมือนนั้นพอตื่นขึ้นมา ให้ปากมันเหม็นนี่นะต้องรู้เปลแปลงฝันไอ้ตัวเหม็นนี่เป็นตัวทุกข์ใช่ไหมเนื้อหอมหอมเลยหอมแบบใส่หน้าหน้าเป็นกลางทุนในไหวก็วเป็นลางหน้าไอ้ตัวที่ทนไม่ได้เนี่ยต้องทนเป็นตัวทุกข์หลังจากนั้นกระทุกจากความหิวความวหายความเหน็ดเหนื่อยการงานทุพัฒ น, นาต่างๆเข้ามากระทบกระทัทง้งความทุกข์จากอารมณ์ที่ไม่ถูกใจอย่างนี้เป็นต้น กลงความว่าในมนุษย์โลกหาเวลาสุขจริงไม่ได้จะไม่สุขไม่ทุกข์ในเวลาเดียวคือเวลาหลับหลับทำไอเรงฝันถูกคนนักไล่ก็ทุกข์ปั่นกันนะเห็น ไ, ไหมกลงความมหาตัวสุขจริงไม่ได้ในมนุษย์โลกนะตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายเราจะไม่พบกับความสุขจริงถ้าใช้ปัญญามองนิดเดียวต่อไปแล้วก็ไปดูสวรรค์กับทอง จะไหวก็ดีพงก็ดี ก, ดก็ถือว่ามีร่างกายเป็นทิพย์มีที่อยู่เป็นทิพย์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทิพย์หมดศัพท์ว่าทิพย์ท่านแปลว่าเล่นทุกอย่างทำง่ายง่ายเหมือนทำเล่นเล่นต้องการจะไปไหนตัวก็ลอยไปถึงทันทีใดเป็นของไม่ยากแต่พรมกษิวดามีความสุขกินแลแต่ถ้าว่าเป็นความสุขไม่นาน เมื่อหมดบุญวั ส, สนาบารมีก็ต้องจุดติลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ดีไม่ดีเระลงมบ า, ายอย่าปลุมไปถ้าใช้ปัญญาจริงๆเข้าไปตัดอวิชชาตัวไม่รู้จริงออกนะก็ยังมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่ามนุษย์ส่วนโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่น่าอยู่แต่ว่าโลกกับพระ โ, โลกมีความสุขจริงแต่สุขไม่นานก็ไม่ น, า น, มน่าอยู่เท่ากันสิ่งที่น่าจุดน่าอยู่มีอย่างเดียวคือนิพพาน เมื่อถ้าอารมณ์ของเราตัดอารมณ์สมกรกรคนี้ได้คือฉันท้กับราคะความพอใจในมนุษย์เทวดาหรือผมราคะความรักในความเป็นมนุษย์เทวดาหรือผมหมดไปใจก็ว่างจากกิเลสเมื่อใจว่างจากกิเลสก็หันมาอมองตัวอัร่างกายที่มีอยู่นี้เป็นร่างกายที่เต็มไปด้วยความทุกข์มองตามความเป็นเจียงว่าร่างกายนี้มันเป็นเราหรือไม่ใช่เรา ที่จะนาจริงๆได้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเป็นจิของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเป็นเพียงธาตุสีคือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเข้ามาผสมกันเป็นเรือนร่างชั่วคราวที่จิตเข้ามาใสยไม่ช้าไม่นานท่านใดร่างกา ย, ยนี้ก็พังเมื่อร่างกายพังแล้วจิตไม่ได้พังตามไปด้วยจิตก็ล่องลอยไปตามสภาวะคือความดีหรือความชั่วของจิต แล้วก็เข้ามาพิจาราร่างกายว่าร่างกายกวาจริงมันเป็นของไม่ดีเป็นตัวถ่วงความสุขของเราเราไม่ต้องการมันอีกค่อยๆ ค, คิดก็ควรนี้ต่อมาได้จิตเบื่อร่างกายเมื่อไรถ้าอารมณ์เบื่อเกิดขึ้นอย่างนั้นเป็นนิพพานยังยังไม่เป็นพระราหันถ้าร่างกายเต็มด้วยความสุขกระบอกโศโกไม่น่ารักมันน่าเกลียดแล้ก็ทรงตัวไว้อย่างนี้ยังไม่ใช่พระรหันแตอารมณ์าาขาว่านาคามี ต่อไปเท่กำลังปัญญาดีขึ้นเห็นว่าราชกายเย็บศกกปกก็ดีและไม่ทรงตัวก็ดีเป็นธรรมดาก็มันธรรมดาของร่างกายมีสภาพอย่างนี้เราฝืนมันไม่ได้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันจะค่อยๆโตก็บังคับไม่ให้มันโตไม่ได้เมื่อเพิงคลาบเป็นหนุ่มเป็นสาวมันจะแก่ก็บังคับไม่ให้แก่ไม่ได้มันจะแก่ก็ต้องแก่ของมันเครื่องคราวที่ป่วยแค่ไม่สบายเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ขันห้ามันจะป่วยก็ต้องปล่อยมันป่วยห้ามไม่ได้เหมือนกัน เสียงวาระที่มันจะตายมันก็ต้องตายห้ามไม <im> ouais ่ได้ในการตอด้วยเรื่องธรรมดาของร่างกายถ้าอารมณ์จัดธรรมดาอย่างนี้ได้รมณ์ก็มีการวางเฉยไม่ดิ้นรนร่างกายใหญ่แก่ก็เชิญแก่จะดูแล้วว่าจะแก่ถ้ามันอยากจะป่วยก็เชิยป่วยก็ทราบบรรดาแล้วว่ามันจะป่วยถ้ามันจะตายก็เชิญตายก็ทราบนรราแล้วว่ามันจะตายอารมณ์ใจปกติถ้าอารมณ์ใจปกติอย่างนี้ท่านเรียกว่าสังขารุปิขาใหญ่อย่างนี้เป็นอารมณ์พระราหัน ไปไหวหรือไหวไหมไปได้ก็ไหวนะถ้าต้องค่อยไปก็เป็นน้ว่าก็บรรดาญาโยมวัติุศาสตร์ตหลายเวลาปีบัติวันนี้ว่าจะพูดถึงเวทนานุปันนาหาที่เจอฐานเพื่อ ไ, ไปไปแล้วไปคนาทางแล้วต้งดึงตีกลับ <c oughs> ก็ลองค ว, ว่าว่าวันนี้แล้วพูดถึงเบื้องต้นยันจบ ก่อนแยกขึ้นเขาบรรดาญาโยมพุทธบริษัททหลายก่รพรวนาทางตาตามใจชอบนะไม่ได้ห้ามจะภาวนาจิตทรงตัวก่อนก็ได้ถ้าพิจารณาจิตหลังถ้าเพื่อความไม่นคงพอเริ่มต้นสมาทานศิก็พิจารณาก่อนพิจารณาตามความเป็นเจวร่างกายนี้มันต้องตายจะตายเมื่อไรก็ไม่ทราบ ก่อนที่จะตายจะต้องท่งความดีไว้คือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เพื่อการป้องกันไม่หลงระบายภูมเราจะมีชิ้นห้าเป็นเครื่องประกันขั้มจุนไว้ตั้งใจไว้จะพอกนิพนธ์น่าจะได้บรรดาเทพุทธบริสติคิดอะไรบ้างก็ได้อารมณ์อย่างนี้บระองผู้ทรงวัดาบ่ายกุยทรงตัวตั้งอารมณ์นี้มาให้ได้ คิดว่าชีวิตจะต้องตายก็อนจะตายเขาเอาดิพุงคือพระเจ้าประธรรมรัตตอาเดียโซเอาสินห้าปเป็นกระแพงกัน้นเจา้าจะทรงสินห้าบทสุดแค่นี้ก่อนแล้วหวังไว้ว่าถ้าตายเมื่อไรขอปานิพันธ์เหมือนั้นตั้งใจไว้อย่างนี้จนท่านจิตธรมดาเป็นพุทธบริษัจทจะทําอะไรก็ตามอีบูชาพระกอตามใสป่ปล า, ายก็ตามนั่งกรรมทานก็ตามให้ทายก็ตาม ใจไม่ต้องการอย่างอื่นต้องการจุดเดียวคือนิพพานใช่ไหมไม่ต้องการเกิดบนสวรรค์ไม่ต้องการเกิดบนโลกไม่ต้องการเกิดเพาฉันต้องการอย่างเดียวคือนิพพานอารมณ์มีอารมณ์เดียวเท่านั้นอย่างนี้เชื่อเป็นชาในอุปสมานุติกรรมไทยคือมีคือมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆแล้รมันดะ้ญดาติยาโยมพรทวารสัตย์ใจก่อนจะตายทุกคนไปร้านแน่และนิพพา์แน่ ถ้าไปที่พันแน่เดี๋ยวเวลาสองวันทีวกว่าก็เลยกันตอนนี้ไปทุกวันดาญายโยมพุทธบริษัททุตั้งตั้งใจสมาทานถิ่นไมมาทานและรมาราน